นามัถุรัตนตยสสะขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เรียนพระสูตรชื่อว่าพรามายาจนะสูตรเป็นพระสูตรที่มาจากคำพีสังยุตติกายสขาถวัค ประไปิฎกเล่มที่15ในบาลีข้อ172พระมายาจนะสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของพระพรหมมาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆตอนตรัสรู้ใหม่ๆนะคนไหนที่เคย อ่านพุทธประวัติก็คงจะพอทราบว่าพระองค์ก็พิจารณาว่าธรรมะนี้มันลุ่มลึกรู้ได้ยากพระองค์ก็มีพระทยัยหรือว่ามีจิตน้อมไปในทางที่จะขวนขวายน้อยคือไม่บอกใครนั่นเองความหมายก็ออย่างนั้นทีนี้ท้าวมหาพรหมทราบเรื่องก็เลยมาอาราธนา พระสูตรนี้ก็เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับแสดงรายละเอียดให้เห็นว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นหรือว่ามีความคิดความดำริอะไรบ้างเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเป็นผู้ขวนขวายน้อยพระไถยของพระองค์จึงน้อมไปในทางขวนขวายน้อยแล้วพระพรหมมากล่าวอย่างไรมาอาราธนาอย่างไรพระองค์จึงได้เปิดประตู อมะตะสอนธรรมะแก่สัตว์ทั้งหลายนะครับในบาลีข้อ172็นะครับในย่อหน้าแรกก็อ่านพร้อมกันก่อนนะครับเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาอุรุเวลาอย่างวิหรตินัชาเนรัญชรายตีเร อาชะปาละนิโครธาโมเลปัตมาพิสัมบุตโธอาทะโขภควะโตระโหต ะ, ะตัสสะปฏิสันลีนัสสะเอวังเจตโสปริวิตโกอุตปาดิอาธิขตโขมะยายังธรรมโม คัมภีโรดุดดโสดุรนุโบโทสันโตปนีโตอะตา ก, กาวจโรนิปุโนปันฑิตะเวดนิโยอารยารามาโขปนายังปะชาอายรยารตาอารยสัมมุดิตา อาลยะรามายะโขปณะปชายะอาลัยรตายะอาลยะสัมมุติตาญาดุจ ด, ดัสสังอิดังถาหนังยะดิดังอิทับปัจจยตาปฏิจสะสมปาโดอิดํมปิโขถานังดุจดัสสัง ยะดิดังสั บ, บะสังขาระสมะโทสั บ, บูปิปตินิสัคโคตันหักขโยวิราโคนิโรโธนิบมานังอาหันเจวะโขปนะธรรมังเดเสยังเปรจะ เ, จจเมนะอาชาเนยุง โสมมัสสะกิละมะโถสามมัสสะวิเหสาตินะในย่อหน้าแรกในหน้าที่หนึ่งบาลีข้อ172นี้ก็เป็นเหตุการณ์เบื้องต้นเอวัมเมสุตังข้าพเจ้าคือท่านพระอนนท์ได้สดับมาอย่างนี้นะพระอนนท์ท่าน มาเล่าให้ที่ประชุมในครั้งประถมสังขยาฟังแล้วก็ทรงจำกันมาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้เอกังสมยังพักวาอุรุเวลายังวิหรตินัชชาเนรัญชรายะตีเลอาชะปาลนิคโครทมูลเลปธรมาภิสัมบุตโธในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ที่ริมฝั่งของแม่น้ําเนรัญชราที่อุลุเวลานะประทับอยู่ริมฝั่งของแม่น้ําเนรัญชราที่อุรุเวลาที่ใต้ต้นไม้ชื่อว่าอชปาลนิคโครธอาชะปาลนิคโครทมูเลใต้ร่มไม้อาชะปาลนิคโครธเป็นต้นไทรนะเป็นต้นไทรอินเดียต้นนิคโครทะ ก็คือต้นไทรปาธมาพิสัมพุโทโธใน ช, ใช่วงที่พระองค์ตรัสสรุใหม่ๆช่วงที่พระองค์ตรัสรุใหม่ๆนั้นมีที่ประทับอยู่หลายแห่งในตอนนี้กล่าวถึงในตอนที่พระองค์ประทับที่ต้นไทรที่ริมฝั่งของแม่น้ำเนรัญชาราที่อุรุเวลาอัฐาโขภควะโตระโหขตัสสะ ปฏิสันลีนัสสะลำดับนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเป็นผู้อยู่ในที่หลีกเลน่นอยู่ในที่ลับคนเดียวหลีกเล่นอยู่ระหโหขตสะก็แปลว่าอยู่ในที่ลับหมายถึงไม่ได้อยู่กับใครอยู่คนเดียวปฏิสันลีนัสสะอยู่อย่างหลีกเลน่นคือไม่ได้คิดถึงเรื่องภายนอกไม่ได้คิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้ใครมีอะไรใครเสียอะไรไม่ได้คิดถึง อยู่อย่างหลีกเล้นก็คืออยู่กับการมีสติสัมปชัญญะถ้าเป็นผู้ที่บรรลุทำแล้วก็อยู่กับธรรมะอยู่กับพระนิพพานอย่างนี้เรียกว่าปฏิสันหลีนัสสะอยู่อย่างหลีกเล้นอย่างถ้าเราอยากอยู่อย่างหลีกเล้นก็หัดเอาก็ได้ก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไปนั่งคนเดียวอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับการดูกายดูใจอย่างนี้ก็เรียกว่า อยู่แบบหลีกเล้นเหมือนกันแต่ถ้าไปนั่งคนเดียวแล้วก็คิดเรื่องโน้เรื่องนี้อันนี้ก็แบบอยู่หลายคนมีตันหาเป็นเพื่อนสองนะมีพอมีตันหาเป็นเพื่อนแล้วก็จะพาอันอื่นมาเต็มไปหมดแบบนั้นเรียกว่าไม่ได้อยู่แบบปลีกเล้นนะครับอยู่คนเดียวเฉยๆแต่ไม่หลีกเล้นก็มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้พระองค์บรรลุธรรมแล้วตรัสรู้ใหม่ๆ พระองค์อยู่ในที่รับระหโหขตสระคือการไปนั่งทางกายก็ไปนั่งอยู่องค์เดียวด้วยปฏิสันลีนัสสะแล้วก็รีกเลนด้วยก็คืออยู่กับการมีสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์อยู่กับธรรมะอยู่กับพระนิพพานอย่างนี้เอวังเจตโสปริวิตตะโกอุตตมปาดิก็มีความดำริอย่างนี้เกิดขึ้นในใจของพระองค์ ปริวิตาโกก็คือความดําริความคิดนะฉะนั้นถ้าเราอยากมีความคิดดีๆนะก็ให้มีสติสัมปชัญญะดีๆแล้วไปนั่งอยู่คนเดียวดูกายดูใจไปความคิดที่ถูกต้องหรือว่าความดําริอะไรต่างๆที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นนะโดยส่วนใหญ่เราคิดมั่วไปหมดนะวันๆอันนี้เพราะว่ามันคิดไม่เป็น คิดมัวไปเรื่อยหยุดความคิดไม่เป็นนะครับฉะนั้นคนที่จะคิดเป็นต้องรู้จักหยุดความคิดให้เป็นรู้จักธรรมชาติของความคิดมันจึงจะคิดเป็นจึงจะคิดได้ดีแล้วก็คิดเป็นประโยชน์เหมือนคนพูดถ้าอยากจะพูดเป็นก็ต้องไม่พูดเป็นด้วยก็คืออยู่นิ่งๆเป็นถึงจะพูดเป็นส่วนใหญ่เราอยู่นิ่งๆไม่เป็นนะมันพูดไปเรื่อย อยู่คนเดียวถึงจะไม่พูดอะไรมันก็พูดไปเลยเห็นคนเดินสวยเดินไม่สวยมันก็เขาไม่ได้เชิญน่มันก็พูดไปเลยนั่นหละเดินสวยนั่นเดินไม่สวยแต่อาจจะไม่ออกมาท่านนั้นเองแต่มันพูดมันหยุดไม่เป็นท่านถ้าอยากจะเป็นคนพูดเก่งนะต้องรู้จักหยุดหยุดพูดคิดเป็นก็ต้องรู้จักหยุดคิดนะแต่โดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยรู้วิธีเนาะไม่มีใครสอนใหเราหยุดคิด สอนแต่วิธีให้เราคิดเก่งๆคิดอย่างนั้นจะดีคิดอย่างนี้จะถูกจนเราคิดจนจะตายอยู่แล้วยังไม่พ้นถูกสักทีเลยเครียดหนักกว่าเดิมอีกอันนั้นมันสอนไม่ถูกนะครับอันนี้พระองค์ไปนั่งอยู่พระองค์เดียวหลีกเล้นอยู่ก็มีความดำมเลเกิดขึ้นในใจของพระองค์อย่างนี้ว่าอาทิโตโคตโขโมยายังธรรมโม ธรรมะอันเราได้ตรัสรู้แล้วนี้คำพีโรเป็นของลึกซึง้งนะพระองค์บรรลุธรรมแล้วพระองค์ก็ไปนั่งในที่หลีกเล้นแล้วก็เกิดความดัมเบขึ้นมาความคิดความดัมเบนะ่ยก็เกิดขึ้นมาว่าธรรมะอันเราได้บรรลุแล้วนี้คำพีโรเป็นของลึกซึง้งดุตโตเห็นได้ยาก นะธรรมะนี้มันเห็นได้ยากดุรณุโพโทรตรัสรู้ตามได้ยากสันโตเป็นของที่สงบระงับปณีโตประณีตอตกาวจโรรู้ไม่ได้ด้วยการตรึกเอาตรองเอารู้ไม่ได้โดยการตักกะเหตุผลหลักเหตุผลใช้ไม่ไดนะ้เพราะว่าหลักเหตุผลมันเกิดจากความคิดที่ขาดสติ หลัเหตุผลเกิดจากความคิดที่าขาดสติมันก็จะทําให้เหตุผลนั้นมันไม่สมบูรณ์นะครับนะมันเป็นข้อจํากัดของความคิดนะนะฉะนั้นถ้าใครยังใช้ความคิดแบบตรกกะอยู่คิดไปจนตายมันก็ไม่พ้นทุกนะนะเขาก็คิดไปเรื่อยแหละนะทุกวันนี้เขาใช้ระบบตักกะนะเขาคิดไปเรื่อยเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยถ้าอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้ถ้าอย่างโน้นแล้วจะได้อย่างโน้นเขาว่าไวนะ้ะ ว่าไปทั่วจนเราเรียนจนแทบลม้มแทบตายอยู่ยังไม่พ้นทุกทุกทีทุกหนักกว่าเดิมก็มีอันนั้นเพราะเราคิดว่าความจริงนั้นรู้ได้ด้วยตา ก, กะแต่ความจริงมันไม่ใช่นะธรรมะที่แท้จริงเนี่ยที่เป็นของลุ่มลึกเข็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นของสงบระ ง, งับเป็นของประณีตนี้เป็นอตากกาวาจโรคือรู้ไม่ได้ด้วยการตรึกเอารู้ไม่ได้ด้วยระบบตา ก, กะ ต้องใช้วิธีรู้ด้วยจิตด้วยใจที่เป็นสมาธิมีความตั้งมั่นถอดถอนทัศนคติอุดมคติความคิดของตนเองการตัดสินถูกผิดออกไปให้หมดจึงจะรู้ได้ไม่ใช่มารู้ด้วยตร ก, กะนะครับนิปุโ น, โนเป็นของละเอียดอ่อนปันดิตะเวดณิโยจะรู้กันได้เฉพาะผู้ที่เป็นบัณฑิตเท่านั้น นี่นะพระองค์ก็ได้มีความดําริเกิดขึ้นเกี่ยวกับธรรมะที่พระองค์ได้ต ร, รัสรู้นี้ว่าอัธิคโตโขโมยายังธรรมโมธรรมะอันเราได้ต ร, รัสรู้ได้บรรลุถึงแล้วนี้คัมพีโรเป็นของลึกซึ้งดุตโตเห็นได้ยากดุรนุโพโตต ร, รัสรู้ตามได้ยากสันโตเป็นของสงบประงับปณีโตปณีอตตกาวัจโร รู้ไม่ได้ด้วยตักกะนิปุโนโเป็นของละเอียดอ่อนปัณฑิตเวนิโยอันเราบัณดิตเท่านั้นจะรู้กันได้คนอื่นรู้ไม่ได้ต้องเป็นเหล่าบันดิตคนที่เป็นบันดิตพวกที่เป็นบัณฑิตก็คือคนที่เขารู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์จริงอะไรเป็นสาระจริงเขาเรียกว่าบันดิตส่วนพวกที่ไม่รู้ประโยชน์มีแต่ทำลายประโยชน์ตัวเองเรียกว่าคนผ่าน เราโดยส่วนใหญ่เป็นคนผ่านคือพกพวกชอบทำลายประโยชน์ตัวเองอย่างตัวเองเป็นมนุษย์ดีๆไม่ชอบชอบทำอะไรประหลาดประหลาดแล้วจะทำให้ตัวเองไปอบายพวกชอบทำลายประโยชน์ตัวเองที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขไม่ทำถ้าจะทำให้ตัวเองมีความทุกข์ทำดีจังทงั้งๆที่ความทุกข์นี้มันเป็นส่วนเกินนะความทุกข์ทางใจนี่นะ กายกับใจเราได้มามันเป็นทุกข์ของมันเองอย่างนั้นแหละเป็นภาระที่เราต้องจัดการบริหารมันไปส่วนความทุกข์ทางใจโศกะปริเทวะความเครียดความวิตกกั ง, งวลอันนี้มันเป็นส่วนเกินส่วนเกินมาจากอะไรก็มาจากเราทำเกินนั่นแหละทำเกินยังไงบ้างเช่นที่ผมยกตัวอย่าง อ, ะอ่ะผมนั่งอยู่นี่ท่านก็มามีปัญหากับผมวิจารณ์ผมอาจารย์สุพีไม่ได้เหลืองอย่างโน้นอย่างนี้ใครละทุกข์ก็ท่านน่ะทุกข์เอง เพราะว่าผมไม่ได้เชิญท่านมาวิจารณ์ผมท่านดันมาวิจารณ์มันเกินเนี่ะพอมันเกินท่านก็ทุกข์สิอย่างนี้นะความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งเป็นอย่างนี้ท่านไปพูดให้มันเกินยึกยักไปยึกยักมาแล้วใครละเป็นทุกข์ก็เรานั่นแหละเป็นทุกข์ฉะนั้นท่านทั้งหลายนะพากันทําเกินเยอะแยะเต็มไปหมดนะท่านก็เลยเป็นทุกข์เยอะเหลือเกินแต่ที่จริงความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นของส่วนเกินทั้งนั้นแหละ ที่มันเกินขึ้นมาอย่างนั้นเพราะว่าท่านทําเกินทําผิดทําพลาดไปแต่ที่จริงได้กายได้ใจมาแล้วอันนี้ก็เป็นทุกข์เป็นวิบากขันที่เกิดมาจากความไม่รู้เก่าๆเราก็บริหารมันไปตามสมควรแล้วก็ฝึกฝนให้เกิดปัญญาเพื่อทิ้งมันไปไม่หลงเพลิดเพลินยินดีก็มีเท่านั้นแหละแต่เราไม่พอเท่านั้นนะไปทําเกินขึ้นมาซะเยอะเลยอันนี้เขาเลยเรียกว่าพวกคนผ่าน แต่ที่จริงควรจะมีความสุขแต่ไม่มีอันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ทําดีจังอันไหนที่จะให้เป็นทุกข์เอาเลยได้ทุกเรื่องทําเป็นทุกเรื่องไม่ต้องมีใครสอนด้วยส่วนของดีๆนี่คนก็อื่นเขาสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกก็ไม่ยอมทำสักทีของดีๆนี่ต้องรอคนสอนนะแต่ไม่ค่อยทําำเลยนะบางทีด่าเขาด้วยของที่เป็นประโยชน์เนี่ยส่วนของไม่ดีนี่ไม่ต้องมีใครสอนทําเก่งชอบเนี่ยเห็นไหมเขาเลยเรียกว่าคนผ่าน ส่วนคนที่เป็นบัณฑิตนี้ท่านรู้สิ่งไหนเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อตัวเราจริงๆสิ่งไหนที่เป็นกันสารสาระจริงๆนี่เลยเรียกว่าบัณฑิตฉนันธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้นะก็เป็นกลุ่มที่เขาเป็นบัณฑิตเท่านั้นนะจะรู้กันได้พวกที่เป็นคนพาลพวกที่ยังโง่อยู่พวกที่ยังชอบทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เครียดวิตกกังวลอยู่ ชอบไปโทษชาว บ, บ้านชาวเมืองเขาอยู่เรื่อยอะไรพวกนี้พวกนี้ยังห่างไกลธรรมะนะครับนะฉะนั้นถ้าเราเกิดความทุกข์เครียดวิตกกังวลอะไรขึ้นมาเนี่ยนะให้รู้ว่าโอแท้ที่จริงเนี่ยไม่มีใครทําให้หรอกเราทําเกินไปนะเหมือนที่เราเป็นๆกันอยู่นะเรื่องคนอื่นเป็นคนอื่นตายอะไรเงี้ยเราก็เอามาคี้ตั้งตงที่คนตายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา เกิดมาแล้วมันก็ต้องตายทุกคนแหละแต่พอเวลาคนตายเราก็เอามานั่งคิดเฮ้ยคนนั้นมันตายคนนี้มันตายแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์จำเป็นต้องรู้ไหมว่าคนอื่นเขาตายอย่างโน้นตายอย่างนี้มันไม่จำเป็นทุกคนเกิดมามันก็ตายทั้งนั้นแหละนะบางคนช้างตายก็อ้าวแล้วเดี๋ยวมีแพนด้าตายกุ้งจะเศร้ากัน <c oughs> นะก็ว่ากันไปนี่คนพานมันเป็นยังไงมันโง่ ท่านเรียกว่าคนโง่คนพานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบัณฑิตเนี่ยจะรู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้นะครับที่เป็นคำพีโรทุตโตโสตุระนุโพโทสันโตปณีโตอตตกาวัจโรนิปุโนปันดิตะเวณีโยอารยะรามาโขปนายังปชา อาลยะราตาอาลยะสัมมุติตาส่วนว่าบรรดาหมูสัตว์นี้อายังประชาประชาคือหมูสัตว์คือพวกเราทั้งหลายนยพวกมนุษย์พวกเทวดาพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอาลยะรามาเป็นผู้รื่นรมอยู่แต่ในอ า, ลาัลหลงติดข้องอยู่กับอ า, ลาัลมีความห่วงหาอาวรสิ่งต่างๆมากมายเหลือเกิน ไม่กล้าทิ้งมันไปมีอะไรก็ติดข้องในสิ่งนั้นมันอาไลอาวรเคยอาไลไหมมีอะไรก็อาไยอาวรนเพราะสิ่งนั้นมีเงินก็กลัวเงินจะหมดกลัวเงินจะหายมีเพชรพลอยมาใส่ใส่คอก็อยากจะโก้แต่กลัวเขาจะมาฉกไปอาไลอาวรนมีอะไรก็อาไยอาวรเพราะอันนั้นแล้วมันก็รื่นรมอยู่ในอาไยนั้นแหละ อยู่ในของที่ตัวเองติดข้องนั่นแหละถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องประดับบางคนก็ชื่อเสียงเงินทองแม้กระทั่งคู่ชีวิตภรรยาสามีก็ยังทำเป็นอาไลทำเป็นเครื่องประดับแล้วก็ชื่นชมรื่นรมอยู่ในอาไลนิมูสันทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้หลงติดข้องอารยาราตายินดีอยู่แต่ในอาไ อาลยะสัมมุติตาหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่แต่ในอาลายัยหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่กับโลกส่วนธรรมะของพระองค์นั้นมันตรงกันข้ามนะเป็นของคำภีโรเป็นของลึกซึ้งเป็นของละเอียดอ่อนเป็นของที่บัณฑิตจะรู้ได้ส่วนหมูสัตว์นี้นะตรงข้ามคือมัวหลงเรื่อนรมอยู่ในอาลายัยยินดีอยู่ในอาลายัยหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ในอาลายัย นะครับเราทั้งหลายก็เป็นกันอย่างนี้นะฉะนั้นที่เราจะเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเราต้องไม่เพลิดเพลินไม่เพลิดเพลินทำดีก็ได้แต่อย่าเพลิดเพลินจะมีส า, ามีก็ได yes. ้แต่อย่าเพลิดเพลินลุ่มหลงไปกับมันมีลูกก็ได้มีการงานก็ได้ทำอะไรเราก็ทำได้หมดแหละแต่อย่าเพลิดเพลินการที่เราเพลิดเพลินหลงยินดีเป็นจริงเป็นจังไปกับมันว่าอันนั้นมันเป็นก่นสาอันนั้นเป็นสาระ อันนี้เรียกว่าเราเรื่นรมอยู่ในอะไรยยินดีอยู่ในอะไรหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ในอะไรถ้าหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ก็ทุกอยู่ถ้าทุกอยู่ก็เพลิดเพลินอยู่มันก็วนเวียนไปอย่างเงี้ยมันเป็นวงจรของโลกฉะนั้นที่เราเพลิดเพลินรู้สึกยินดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าเราได้สังเกตไหมอูเราได้คําชมเราได้ได้เงินได้ตําแหน่ง ได้สามีได้พัญญาได้ลูกได้ได้โน่นได้นี่ได้นั่นได้อะไรมาเยอะเห็นไหมที่ความรู้สึกเพลิดเพลินมันเกิดขึ้นเพราะรู้สึกว่าเราได้จริงๆเราได้อะไรสักอย่างไหมไม่ได้แต่เวลามันรู้สึกว่ามันได้มันจะรู้สึกเพลิดเพลินนี่นีทีนี้เพลิดเพลินอยู่มันก็ทุกข์อยู่ เวลามันทุกข์เศร้าโศกเพราะรู้สึกว่าอะไรรู้สึกว่าเราเสียสูญเสียสูญเสียเงินก็เศร้าโศกสูญเสียสามีสูญเสียลูกสูญเสียนั่นสูญเสียนี่สูญเสียตําแหน่งสูญเสียชื่อเสียงสูญเสียญาติมิตรสูญเสียทรัพย์สมบัติต่างๆก็เศร้าโศกเห็นไหมยินดีเพลิดเพลินเพราะรู้สึกว่าได้ แต่เมื่อยินดีเพลิดเพลินอยู่ก็แสดงว่ายังต้องเศร้าโศกอยู่ยังมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัดอุปายาสะติดตามมาอยู่เพราะว่ามันเป็นกฎธรรมดาของมันโลกมันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นเวลาเรารู้สึกว่าเราได้แม้แต่ได้ความสงบเอาละเพลิดเพลินได้จิตนิ่งนิ่งได้สบายรู้สึกไม่มีกิเลสโอปฏิบัติธรรมแล้วได้สมประสงค์ยินดีเพลิดเพลินสักหน่อยมันไม่ได้ขึ้นมาเป็นไง โศกพยาโศกนี่เราทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้นะวนเวียนไปรู้สึกว่าได้จึงเพลิดเพลินรู้สึกว่าเสียจึงเศร้าโศกแท้ที่จริงมันไม่มีเรื่องได้ไม่มีเรื่องเสียคนไม่มีเรื่องได้ไม่มีเรื่องเสียจึงไม่เพลิดเพลินแล้วก็ไม่ต้องเศร้าโศกอีกนะพระพุทธเจ้าท่านนึงสอนเรื่องอย่าหลงเพลิดเพลินไปกับโลกเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะทีนี้เรา มัวแต่เพลิดเพลินมันก็เลยต้องทุกข์อยู่เรื่อยๆ ร, รู้สึกว่าตัวเองได้โน่นได้นี่พอได้โนู่นได้นี่มันก็มีคู่ของมันมาด้วยได้เสียโน่นเสียนี่ก็เลยโศกเศร้ากันไปฉะนั้นบางคนได้มาสิบอย่างก็โศกสิบอย่างเนะี่ยฉะนั้นเราทั้งหลายนะก็พากันได้โนู่นได้นี่เยอะแยะไปหมดนะก็เตรียมโศกไปแล้วกันนยะนะมันเป็นกฎธรรมดาเนะีย พระพุทธเจ้าท่านก็สอนกฎธรรมดาธรรมดานี่แหละถ้าเรารู้เราเข้าใจเราก็จะได้รู้จักตนเองนะครับความเศร้าโศกก็เกิดเพราะความรักความติดข้องความเพลิดเพลิพนกับมันฉะนั้นเมื่อเราเพลิดเพลินเราก็ได้รู้ทันทีเลยว่าโอ้เนี่ยสักหน่อยเราต้จะต้องโศกเพราะมันอย่างนี้นะครับฉะนั้นคนที่มีปัญญาเป็นบัณฑิตเขาก็มองชัดเจนแจ่มแจ้งทีเดียวว่าโอ้ถ้าใครยังหลงเพลิดเพลิอนอยู่ คนนั้นก็เรียกว่ามีความเศร้าโศกมีความทุกข์อยู่กับตัวใครคิดว่าตัวเองมีอะไรคนนั้นก็จะต้องเสียเขามองทะลุภาพออกไปถ้าคนไหนยังเกิดอีกคนนั้นก็ต้องตายถ้ายังมีการเจอกันอีกก็ต้องจากกันอีกเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยคนที่เป็นบัณฑิตเ้าก็มองทะลุรู้ความจริงรู้แก่นสารสาระจริงๆว่าโอ้แท้ที่จริงโลกนี้มันไม่มีแก่นสารสาระอะไรจะไปได้อะไรมา ได้มามันไม่ได้เพราะว่าแค่รู้สึกว่าได้มาสักไหน่อยก็เสียไปอยู่ดีตอนรู้สึกได้มาก็เพลิดเพลินตอนรู้สึกเสียไปก็เศร้าโศกก็คงมีกันอยู่เท่านี้นะครับซึ่งเราก็ผ่านวงจรนี้กันมานานแล้วและทุกก็จะผ่านไปเรื่อยๆนะมันะจะไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไม่หลงเพลิดเพลินไปกับมันจนกว่าจะเห็นความจริงของมันนะครับฉะนั้นถ้าท่านไหนยังหลงเพลิดเพลินในอะไรอยู่ อย่างน้อยก็ได้รู้เอาไว้ว่าอถ้าเราเพลิดเพลินกับอันนี้ยังยึดติดอยู่กับอันนี้เราก็ต้องเศร้าเพราะอันนี้ได้รู้อย่างนี้ก็ยังถือว่าได้เข้าใจความจริงระดับหนึ่งแล้วจะได้ไม่ไปคาดหวังอะไรว่าเออฉันติดข้องกับเธอแล้วก็ตีดอยู่นะั้นนึกว่าจะสุขอย่างเดียวอันนี้มันหลงละในรนาศเกินไปนีฉะนั้นถ้าเราติดข้องกับเขาอยู่อย่างน้อยเรารู้ว่าเราติดข้องแล้วเราจะต้องเศร้าเพราะเขามันก็ยังเตรียมใจเอาไว้บ้าง นแน่นอนแหละมันต้องเศร้าแต่ว่ามันก็คงจะเศร้าไม่แรงเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่าอ่าเราเตรียมใจเอาไว้ก่อนเตรียมเศร้าเอาไว้ก่อนบางทีตอนอยู่ด้วยกันดีดๆก็เอาเรานั่งร้องไห้ไว้ก่อนเลยพอมันจากไปมันจะได้เลิกเลิร้องไปเพราะว่าเรารู้ตัวเองเอาไว้ก่อนนะอย่างน้อยนะอย่างน้อยรู้ว่าติดข้องว่ามันจะต้องเศร้าโศกเพราะมันอย่างนี้มันก็ได้เตรียมตัวเอาไว้เตรียมใจเอาไว้ แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็ถอดถอนความเพลิดเพลินถอดถอนความอาลัยก็มันไปเลยเราก็จะไม่เศร้าโศกอีกฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนนะี่นะสอนเรื่องความไม่ประมาทเพราะว่าไม่ต้องรอให้ความทุกข์แรงๆมันบีบคั้นถ้าเราเพลิดเพลินอยู่ปับ๊บเนี่ยให้เรารู้เลยว่าอ้าเนี่ยเราจะต้องโศกเพราะมันนะถอนความเพลิดเพลินออกมาเลยไม่ต้องรอเศร้าโศกเพราะมันนะสมมุติเรารักสามีคนนี้ยติดข้องกับมันมากเนี่ยเรารู้ชัดทันทีเลยว่าโอ้ ต่อไปจะต้องทุกข์เพราะมันมากเรารู้ทันทีแล้วก็ฝึกฝนเพื่อถอนความเพลิดเพลิน อ, ออกจากมันเราก็ไม่ต้องทุกข์แรงแหแล้วเห็นไหมประโยชน์ของธรรมะมันเป็นอย่างนี้ประโยชน์ของความไม่ประมาทมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าการตกไปในอบายนั้นมันไม่ดีแต่ว่าตอนนี้เราไม่ไปตอนนี้เรานั่งนั่งอยู่ในมนุษย์เนี่ยเราไม่ไปไม่ได้ไปปีนต้นงิ้วหรือว่าไม่ได้ไปถูกนายทีบาพแทงเอา ไม่ได้ร้องโอดโอยอะไรแต่เรารู้ว่าโอ้ถ้าไปหลงเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่มันไม่ดีเห็นว่าการโกหกเป็นเรื่องธรรมดาเห็นว่าการทําผิดเป็นเรื่องธรรมดาคล้ายๆก็ทํากันหลงเพลิดเพลินอย่างนี้ปั๊บเราไปอย่างนั้นเลยเราก็ถอนออกมาเลยฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะและเจตนาไม่ดีอะไรออกไปนะถอนความเพลิดเพลินจากสิ่งเหล่านั้นออกไปเราไม่ต้องไปรอปีนต้นนิ้วก่อนเพราะว่าปีนมาหลายรอบแล้ว จำไม่ได้เฉยๆ ไ, ow, ไ, ม ไ, ไม่ต้องไปรอทุกอย่างนั้นเราก็ถอนมันออกมาก่อนเลยปิดมันไปก่อนไม่ต้องไปปี น, น, นอีกรอบแล้วอย่างนี้นะฉะนั้นเราชอบอะไรเรารักอะไรเราก็ต้องทุกข์เพราะอันนั้นอยู่แล้วถ้าเราเป็นบัณฑิตหรือว่าพรอมีความรู้บ้างเราก็มองดูลงไปเลยถ้ายังรักอะไรอยู่รักร้ออย่างก็ทุกร้อยอย่า ง, รอยอยางเราก็รู้อยู่แล้วรัก90ก็ทุกเก้ารักหนึ่งอย่างก็ทุกหนึ่งอย่างถ้าไม่รักเลยมันก็ไม่ทุกข์เลยเรารู้อันนี้แหลว พอรู้อันนี้แล้วเราก็ไม่ต้องรอให้มันทุกข์แรงๆจนจะเป็นจัตตายแล้วก็ฝึกถอนออกมานะอย่างนี้เ็าเรียกว่าวิธีของความไม่ประมาทไม่ต้องรอให้มันตกระกรรมลำบากก่อนไม่ต้องรอทุกจานปางตายก่อนตอนนี้ลูกหลานเรายดีอยู่เราติดข้องกับมันเพลิดเพลินกับมันเราก็รู้ไว้ชัดเลยว่าโอ้เรายังเพลิดเพลินกับมันเนาะตอนนี้มันดีอยู่ถ้ามันตายนี่เราต้องเศร้ากับมันแน่ เ้วก็ถอนออกมาก่อนเลยอย่างนี้ถอนความเพลิดเพลินต่อไปก็ไม่เศร้าโศกกับมันแล้วมันตายก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเนะี่ความตายนี้ไม่ได้ทําให้เราเศร้าโศกอะไรนะแต่ความเพลิดเพลินตอนมันอยู่เนี่ยทําให้เราเศร้าโศกไม่อยากให้มันตาย <c oughs> นะใครๆเขาก็ตายกันนั่นแหละตายกันทุกวันนะเราไม่เห็นเป็นอะไรนะธรรมดานะครับ นี่นะหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพากันเรื่อนรมอยู่ในอาลายัยยินดีอยู่อในอาลายัยหมกมุ่นเพลิดเพลิอพลอนอยู่ในอาลายัยนะถ้ายังเพลิดเพลิอนอยู่ก็ทุกอยู่นี่ให้เรารู้ชัดเจนลงไปอย่างเนี้นะครับสัตว์ทั้งหลายก็เป็นกันอย่างนี้นะอาระยารามาย์โขปณนะปะชายาอาระยารตายาอาระยะสัมมุติตายะสําหรับหมูสัตว์ผู้ที่ รื่นรมอยู่ในอาลายัยยินดีอยู่ในอาลายัยหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ในอาลายัยดุตสังอิดังฐานังฐานะอันนี้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เขารู้ได้ยากยะดิดังอิทับปัจยตาปฏิจจสมุปบาโดก็คือเรื่องอิทับปัจจตาปฏิจะสมุปบาทนี่นะสำหรับหมูสัตว์ที่เขาเพลิดเพลินยินดีรื่นรมอยู่ในอาลัยเนี่ย เรื่องนี้เขารู้ได้ยากสิ่งนี้เขารู้ได้ยากคืออิทับปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอิทับปัจจยตาความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้เพราะอันนี้มีอันนี้จึงมีเพราะอันนี้เกิดขึ้นอันนี้จึงเกิดขึ้นเพราะอันนี้ไม่มีอันนี้จึงไม่มีเพราะการหมดไปของอันนี้อันนี้จึงหมดไปนี่เขารู้ได้ยากนะรู้ได้ยากเพราะว่ามีเขามี คนที่เขารักมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเยอะเขาไม่กล้าแม้กระทั่งคิดว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะอันนี้มีอันนี้จึงมีเขาไม่รู้ไม่รู้ฐานะนี้ไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทความที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ได้มีตัวตนจริง พวกที่ยินดีเพลิดเพลินอยู่ในอะไรก็ไม่กล้าแม้แต่จะคิดหรือว่าไม่กล้าแม้แต่จะมองดูว่าไม่มีตัวตนจริงๆนะมีแต่สิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะเขาก็รู้สึกมีตัวเขามีของเขาอยู่อย่างนั้นะนะครับเนี่ยฐานะที่หนึ่งที่พวกหมูสัตว์ที่รื่นรมยินดีหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ในอะไรดูได้ยากก็คือ ทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทธรรมะฝ่ายสังขาร น, นะที่มันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ได้มีตัวตนเที่ยงแท้ถาวรอะไรมีแต่สิ่งที่อิงอาศัยเท่านั้นเองสิ่งไหนที่มันเกิดมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรอิงอาศัยกันเกิดเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยอันเนี้ยนะครับนี่ฝ่ายสังขาร อันนี้ก็รู้ได้ยากนะสหรับคนไหนที่ยังหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ในอาไรรู้ได้ยากมากนะครับอีกฐานะหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่รู้ได้ยากอิดัมปิโขฐานังดุตสังแม้เรื่องนี้ฐานะนี้พวกหมูสัตที่เขาเรื่นรมยินดีหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ในอาไลาก็รู้ได้ยากอีกเหมือนกัน ยะดิดังสับวสังขาระสมะโทก็คือความสงบระงับไปแห่งสังขารทั้งปวงนี่ยิ่งรู้ได้ยากใหญ่เพราะว่าพวกเขามัวแต่หลงเพลิดเพลินอยู่ในอาลัยติดข้องอยู่หลงชอบหลงชังอยู่การจะมารู้ความสงบระงับของสังขารทั้งปวงสับบูปฏิปฏินิสัคโคการสลัดคืนอุปฏิทั้งปวงสลัดคืนกองทุก สลัดคืนที่ตั้งแห่งทุกสลัดคืนกายคืนใจสลัดคืนขันทั้งห้าไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นของตนมันเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติก็สลัดคืนให้คืนธร ร, ธรรมชาติเข้าไปมันนึกไม่ออกอันนี้ยิ่งยากใหญ่นะยากมากตันหักขยโยความสิ้นตันหานึกไม่ออกเลยสิ้นตันหาเป็นยังไงนึกไม่ออกบางคนถึงขนาดว่า โอ้ยถ้าไม่มีตัณหาก็ไม่อยากทําอะไรแล้วเขาว่าอย่างนี้เขาคิดไปเรื่อยนะนักตักกะเนี่ยเขาก็คิดไปเรื่อยแหละแต่ธรรมะนี้รู้ไม่ได้ด้วยตักกะรู้ไม่ได้ด้วยคิดเอาพวกคิดเอานี่ก็จะบอกว่าพวกไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราคงจะไม่ต้องทําอะไรแล้วนั่งเฉยเฉยแล้วนะรอวันตายอย่างเดียวแล้วไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําการงานไม่ต้องจัดการอะไรแล้วเขาว่าอย่างนี้นะอันนี้ก็พวกตักกะแต่ธรรมะนี่รู้ไม่ได้ด้วยตักกะ นะครับมันก็คิดไปเรื่อยแลวพวกคิดเนี่ยนะครับวิราโคเนะี่ยไม่รู้จักวิราคะคือความคลายกำหนัดคลายความเพลิดเพลินในโลกนิโรโทวความอิสระนิ บ, บานังพระนิพพานปราศจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงนะครับมีสองฐานะที่พระองค์ ดำริขึ้นมาในที่นี้ก็คืออิทับปัจจะตาปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นกฎธรรมชาติของฝ่ายสังขารทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังไม่มีใครมีอำนาจบังคับบัญชาได้ไม่มีอย่างอื่นนอกจากความเป็นเหตุเป็นปัจจัยนอกจากธรรมะไม่มีอย่างอื่นนะเหมือนการมองเห็นที่เกิดขึ้นไม่ได้มีอย่างอื่น นอกจากมีตาดีมีรูประทบทางตาแล้วก็เกิดการมองเห็นขึ้นเท่านั้นไม่ได้มีตัวมีตนไม่ได้มีพระเจา้าไม่ได้มีอะไรเกินนี้มีเท่านี้แต่เราคงจะไม่ค่อยยอมเท่าไหร่ต้องมีโน่นมีนี่ให้มันโรครุงรังไปหมดนะเต็มไปหมดแล้วนะมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเกิดการแบ่งแยกเกิดความเข้าใจผิดหลงยึดมั่นถือมั่นเกิดสกายทิฐิ ความเห็นผิดคิดว่ามีตัวเรามีของเราขึ้นมาเยอะแยะหลากหลายเหลือเกินนะอันนี้เพราะว่าไม่รู้จักอิทัปิปญญาตาปฏิจจสมุปบาทพอไม่รู้จักอิทัปิปญจยตาปฏิจจสมุปบาทเราก็เลยพลอยหลงอยู่กับโลกแค่นี้แต่ถ้าใครรู้จากโลกตามความเป็นจริงแล้วว่ามันไม่มีอะไรไม่ได้มีตัวตนจริงไม่ได้มีอะไรถาวรจริงไม่ได้มีที่พึ่งถาวรอยู่ในโลกโลกมันมีแต่ของประดุดไฟไหม้ ใหม่ด้วยเกิดดับของมันเองมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับไปไฟไหม้อยู่เป็นนิดถูกความเกิดดับครอบงำตลอดเหมือนเราเกิดมาในโลกเนี่ยมนุษย์ที่เกิดมาในโลกก็ถูกชรามรณะครอบงำอยู่ตลอดบ่ายหน้าไปหาความตายธรรมดาธรรมดาคือเกิดมาก็เดินไปหาความตายแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเกิดมาใหม่ก็เดินเข้าไปหาใหม่เนี่ยกวนเวียนอยู่เท่านั้นนะมีอยู่เท่านั้น แล้วก็หนักขึ้นไปกว่านั้นอีกก็คือในระหว่างที่ชรามารณะอยู่นั้นก็เกิดไฟคือกิเลสราคะบัางโทสะบัางโมหะบ้างเผารนเอาจนกระทั่งตัวเองดีๆอยู่เนี่ยยังไม่เกลี่ยเท่าไหร่ยังเผาไม่เกลี่ยนะเจอไฟคือราคะโทสะโมหะเข้าไปเผาซะเกลี่ยเลยทีนี้ไปเกลี่ยจริงอยู่ในนรกนนนี่นี่นะ อันนี้เขาไม่รู้จักอิทับปัจจะตาปฏิจจสมุปบาทก็ติดข้องอยู่กับโลกส่วนใครที่ได้รู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้เขาก็ทิ้งโลกไปจึงจะรู้จักธรรมะอีกชนิดหนึ่งก็คือสัพพะสังขาระสมะโทธรรมะที่สงบระงับสังขารทั้งปวงสัปุปธิปตินิสโคที่สลัดคืนอุปธิกองทุกข์ทั้งหมดทั้งปวง ตันหักขโยความสิ้นตันหาวิราโคความสิ้นกำหนัดคลายกำหนัดนิโรโทวความเป็นอิสระนิบานังไม่มีตันหาเครื่องร้อยรัดอีกต่อไปเป็นพระนิพพานนะครับนี่สัตว์ทั้งหลายนะที่รื่นรมอยู่ในอะไรยินดีอยู่ในอะไรหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ในอะไรรู้สองอันนี้ได้ยาก ฉันธรรมะที่รู้ได้ยากนี้ไม่ใช่รู้ได้ยากเฉพาะบัณฑิตนะไม่ใช่รู้ได้ยากของบัณฑิตเขาแต่รู้ได้ยากเพราะว่าพวกหมู่สัตว์นี้มันหลงเพลิดเพลินอยู่ในอะไรเมื่อใดที่ไม่หลงเพลิดเพลินอยู่ในอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนล้ที่มันรู้ได้ยากเพราะอะไรเพราะมันเพลิดเพลินสําหรับพวกนี้รู้ได้ยากสําหรับพวกเนี้สําหรับหมู่สัตว์ที่อารยะรามารื่นรมอยู่ในอะไรอารยะรตายินดีอยู่ในอะไร อารยะสัมมุทิตาหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ในอะไรนี่เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นนิพพานได้ยากสําหรับพวกนี้นะถ้าเราไม่เพลิดเพลินอยู่ในอะไรแล้วจะเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายมันตรงข้ามกันเลยฉะนั้นหน้าที่ของเราทั้งหลายก็เพียงแต่ฝึกฝนตนเองให้รู้เข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆในโลกในกายในใจเหล่านี้แล้วไม่หลงเพลิดเพลินไปกับมันเท่านั้นแหละพอไม่หลงเพลิดเพลินไปกับมัน ฐาหนะทั้งสองอันนี้อิทธปรปยญตาปฏิจจสมุปบาทกับพระนิพพานก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะอย่างนี้นะครับแต่คนโดยส่วนใหญ่ปชามูสัตแทบทั้งหมดนะทั้งหมดเลยก็ว่าได้อันนี้แบบพูดแบบส่วนน้อยก็ยกเอาไว้เลยนะทั้งหมดเลยก็คือเขาก็เรื่นรมยินดีหมกมุ่นเพลิดเพลิอนอยู่แต่ในอาลัย พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มองดูกว่าโอ้หมูสัตว์เนาะจมอยู่แต่ในอะไรทั้งหมดเลยการจะบอกความจริงออกไปนี่คงจะงงกันระเนระนาดไปหมด น, นี่พระองค์ก็ดำริอย่างนี้นะครับพระองค์ดำริต่อไปว่าอาหารเจวะโขปณะธรรมมังเดเสยุงก็ถ้าหากว่าเราพึงแสดงธรรมะปะเรจะเมนะอาชาเนยุง พวกมูสัตว์เหล่าอื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงนั้นโสมะมัสสะกิละมะโทโสิ่งนั้นก็จะเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราสามะมัมัสสะวิเหสาสิ่งนั้นก็จะเป็นความลำบากเปล่าแก่เราบอกไปแล้วคนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่รู้ทั่วถึงก็จะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ลำบากอันนี้พระองค์พูดถึงมูสัตว์จำนวนมาก โม์เวลาเรามองดูโอ้มีแต่พวกหลงลงพูดไปเขาไม่รู้เรื่องก็จะเหน็ดเหนื่อยเปล่าลำบากเปล่านะครับฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงนี้นะโดยความจริงแล้วพระองค์แสดงเฉพาะกลุ่มที่บุคคลที่พอจะรู้ได้เท่านั้นเองถ้าคนยังรู้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนเขายังไม่พ้นทุกเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นหรือว่ายังไม่พร้อมก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนให้เขาฟังไปก่อนหรือว่า ให้เขาไปทุกมาให้พ่อก่อนค่อยค่อยว่ากันอีกทีนะทีนี้ถ้ามองแบบภาพรวมแล้วมันก็ไม่ค่อยน่าแสดงเท่าไหร่ธรรมะเพราะว่าถึงพระองค์แสดงก็มีส่วนน้อยเท่านั้นเองที่รู้นะส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้มันเดิมแต่ทีนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของบางกลุ่มที่เขาสะสมบารมีมาแล้วหรือว่าเขาพร้อมแล้วที่จะฟังธรรมเป็นคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยถ้าไม่ได้ฟังธรรมเขาก็จะเสียประโยชน์ไป ถึงจะมีส่วนน้อยก็ยังดีใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวพรมก็จะมาพูดว่าถ้าพระองค์ไม่แสดงนะมันจะคนที่เขามีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยเขาจะเสียประโยชน์นะพระพุทธเจ้าก็เลยรับรับคำของพรมแล้วก็แสดงธรรมนะครับฉะนั้นการที่ธรรมะของพระพุทธเจ้านะคนที่จะเข้าใจก็มีจำนวนน้อยเป็นเรื่องปกตินะสมัยไหนก็เหมือนกันยุคไหนก็เหมือนกัน นะครับการจะเข้าใจก็ยากที่เข้าใจยากเพราะว่าเราหมกมุ่นเพลิดเพลินยินดีอยู่แต่ในอะไรหลงวนเวียนอยู่แต่ในเรื่องเหล่านั้นมันก็เลยเข้าใจยากทีนี้พอบอกว่าให้ปล่อยวางให้ทิ้งไปมันฟังไม่ออกเพราะว่ามัวแต่จะเอามัวแต่จะได้อยากจะได้อยากจะเอาอยู่นั่นนะมันก็เลยไม่เข้าใจกันสักทีงงไปงงมาอยู่นั่นะนะนะไม่เข้าใจกัน เมื่อพระองค์ดำริอย่างนี้แล้วนะก็เกิดคาถาขึ้นมานะครับคาถาในย่อหน้าที่สองนี่นะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันนะครับอบปิสุดังพักวันตังอิมาอนัชริยาคาถาโยปติพังสุปุบเบอาสุตะบุฟากิจเจนะเมอธทิขตัง อลันดานิปกาสิตุงราคดโสปะเรเตหินายังธรรมโมสุสัมพุทโทปฏิโสตะคามิงนิปุนังคัมพีรังดุดะสังอนุงราคารตาณดักขันติตโมขันเทนะอาวุตาติ อิติหะภควะโตปติสันจิขโตอโปสุกตายะจิตตังนมติโนธรรมะเดสนายาตินะครับหลังจากพระองค์มีความดำริอย่างที่กล่าวไปแล้วในย่อหน้าที่หนึ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ได้เกิดคาถาขึ้นมาในใจของพระองค์ว่ากิตเชนะเมอธิกตังเป็นต้น นะครับอบปิดสุ ด, ดังพระควันตังอิมาอนัชริยาคาถาโยปฏิพังสุปุบเบอัสุตะปุปปาคาถาอันน่าอัศจรรยเหล่านี้ก็ได้เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเป็นคาถาที่พระองค์ไม่ได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนว่ากิจเฉนะเมอธิกตังหาลันดานิปกาสิตุง เรายังไม่ควรประกาศธรรมะที่เราได้ตรัสรู้โดยยากนี้ยังไม่ควรจะประกาศในบัดนี้หาลันดานี้ตานนี้ก็แปลว่าในบัดนี้หาลังยังไม่ควรประกาศสีตุงเพื่อที่จะประกาศตอนนี้ยังไม่ควรที่จะประกาศกิจเฉนะเมอธิกตังซึ่งธรรมะอันเราตรัสรู้ได้โดยยากนี้ ราคะโทสะประเรเตหินายังธรรมโมสุสัมบุตโธเพราะว่าธรรมะนี้อันหมูสัตว์ที่ถูกราคะโทสะครอบงําตรัสรู้ได้ยากพวกหมูสัตว์ทั้งหลายนะเขาเป็นพวกราคะโทส ะ, ระเรเตหิก็คือถูกราคะโทสะโมหะครอบงํามีราคะเป็นไปในเบื้องหน้ามีโทสะเป็นไปในเบื้องหน้า เหมือนเราจะเดินไปที่ใดที่หนึ่งอะไรอยู่เบื้องหน้าอะไรพาเราเดินไปอ ย, ไนอยากได้น่้นอยากได้นี่ราคามันอยู่ข้างหน้าเราเดินไปตามราคาอยากไปว่าคนโน้นคนนี้ยังไม่ได้ว่าเลยโทสะมันนำหน้าอยู่ก่อนแล้วเราพูดตามบันทีหลังอย่างนี้นะก็เลยเรียกว่าถูกราคาโทสะนำหน้าอยู่เสมอพวกเอากิเลสนาหน้านี้ตรัสรู้ตามได้ยาก ตัดสรู้ได้ยากเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นประเภทปฏิโสตะคามิงเป็นประเภททวนกระแสเราทั้งหลายพากันตามกระแสกระแสตันหากระแสโลกแต่ว่าธรรมะนี้เป็นปฏิโสตะคามิงคือทวนกระแสนิปุนังเป็นของละเอียดอ่อนคำภีรังเป็นของลุ่มลึกดุตสังเห็นได้ยาก อนุนุงเป็นของเป็นอนุอนุก็คือของเป็นของละเอียดมากราคาระรตาณ น, นักขันติตมโมกขันเทณอาวุตาหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ถูกความยินดีเพลิดเพลินด้วยความกำนัดครอบงาราคาระรตายินดีเพลิดเพลินด้วยราคะที่เราทั้งหลายยินดีเพลิดเพลินในโลกนะเพราะว่ามันมีราคะมีความติดข้อง สัตว์ั้งหลายที่เป็นราคาระรตายินดีเพลิดเพลินด้วยอำนาจของราคะความติดข้องอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้คือรู้สึกว่าได้ใช่ไหมรู้สึกว่าได้มันติดข้องขึ้นมาแต่ที่จริงเงินนะ่ะนะได้มาแป๊บเดียวใช่ไหมจริจริงมันไม่ใช่ของเราผ่านเจ้าของมาเป็นไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วนะบางคนก็ตายไปแล้วด้วยเจ้าของเงินนะั่นนหะพูดง่ายงก็เงินคนเป็นบ้างเงินผีบ้างอนะไที่เราจับจับอยู่ะ แต่เวลาเรารู้สึกว่าเราได้เราติดมันราคาลัตาก็เพลิดเพลินด้วยอํานาจราคะเนี่ยที่เรารู darum, really, ええ้สึกเพลิดเพลินได้เพราะว่าอํานาจราคะอํานาจความติดข้องนะครับฉะนั้นตัวความติดข้องนี่แหละที่เราต้องถอดถอนมันขึ้นมาตัวความเพลิดเพลินไม่ใช่ไปถอนเงินนะไอ้เงินเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติแต่ความติดข uh, ้องในเงินต่างหากที่เราต้องถอนเนี่ยไม่ได้ไปโยนสามีทิ้งหรือว่าไม่ไม่ใช่ไปโยนตำแหน่งทิ้งหรอก เอาราคะในมันออกเอาความเพลิดเพลินในมันออกนะครับตโมกขันเทนะอาวุตตาผู้ที่ถูกกองของความมืดครอบคลุมแล้วนะความมืดมาเป็นกองเลยกองความมืดครอบคลุมแล้วณนะักนะขันติก็จะไม่เห็นนะธรรมะที่เป็นฝ่ายทวนกระแสเป็นของละเอียดอ่อนเป็นของลุ่มลึกเป็นของเห็นได้ยากเป็นของ เป็นอนูอันนี้สัตว์ทั้งหลายที่เขายินดีเพลิดเพลินด้วยอำนาจของราคะถูกกองของความมืดหุ้มห่ อ, อไว้จะไม่สามารถเห็นได้นะครับนะอย่างนี้นี้พระองค์ก็เกิดคาถานี้ขึ้นมาว่าตอนนี้ยังไม่ควรประกาศธรรมะหรอกเพราะว่าธรรมะนี้เป็นของลุ่มลึกนะพวกมูสัตว์เนี่ยถูกราคะโทสะครอบงารู้ได้ยาก ธรรมะนี้มันสวนกระแสเป็นของละเอียดลุ่มลึกพวกหมูสัตว์ที่ยินดีเพลิดเพลินด้วยอำนาจราคะถูกกองของความมืดหุ้มหอ่อไม่สามารถจะเห็นได้ก็เกิดคาถานี้ขึ้นมาเมื่อพระองค์พิจารณาและเกิดคาถานี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็น้อมไปเพื่อความเป็นผู้ขวนขวายน้อยขวนขวายน้อยก็คือไม่แนะนาใครนั่นเองนะ ก็คล้ายๆสมมติว่ามีคนคนหนึ่งทําไม่ดีทําไม่ดีขึ้นมาถ้าเรามีความเพียรพยายามถึงเราจะยินดีหรือไม่ยินดีเราก็แนะนําเขาได้ว่าเอ้ยเนี่ยคุณทําไม่ถูกนะเขาจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีความขวนขวายที่จะช่วยคนอื่นแต่ถ้าขวนขวายน้อยเขาก็ไม่ยินดีไม่ยินไลน์เหมือนเดิมนั่นแหละเขาก็อ่ะปล่อยมันไปเดี๋ยวให้มันเรียนรู้ด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งคนที่ ไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไรแล้วเขาก็ปล่อยคนอื่นไปอันนี้เรียกว่าขวนขวายน้อยนะครับแต่ถ้าคนไหนมีความขวนขวายเขาก็ไม่ยินดีนร้ายเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเออคนนี้มันยังไม่รู้ก็ช่วยมันหน่อยกรุณามันหน่อยบอกมันหน่อยมันจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึง่งนะมันเชื่อก็ไม่หลงยินดีมันไม่เชื่อก็ไม่ยินร้ายอันนี้เรียกว่ามีความกรุณานะเพราะองค์ก็ตอนหลังที่มาประกาศธรรมะก็ อ, อาศัยความประกรุณานี้ มาประกาศส่วนสัตว์จะเข้าใจไม่เข้าใจเป็นเรื่องของหมู่สัตว์นะอยากจะพ้นทุกข์ก็ทาเอาเองไม่อยากจะพ้นทุกข์ก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วแต่ให้เลือกเอาเองอันนี้เรียกว่าการุณานะครับไม่มีการบีบขันไข่แต่ถ้าปรารถนาน้อยหรือว่าขวนขวายน้อยก็คือปล่อยมันไปเลยเราก็อยู่ของเราไปสิ้นอายุก็ปริณิพานไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับในตอนแรกพระองค์พิจารณาแล้ว พระไทยของพระองค์ก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยอิติหะพระกวาโตปฏิสันจิกตกิโตเมื่อพระผู้มีพระภาคพิจารณาอย่างนี้แล้วอัโปโสุกตายจิตตังนัมติพระไทยของพระองค์จิตของพระองค์นะก็น้อมไปเพื่อความเป็นผู้ขวนขวายน้อยคำว่าขวนขวายน้อยก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าชอบไม่ชอบเขานะจึงเรียกว่าขวนขวายน้อยนะครับ ถ้าเราเห็นคนทำไม่ดีไม่ชอบมันไม่อยากยุ่งกับมันอันนี้ไม่ได้เรียกว่าขวนขวายน้อยนะอันน e ี้อ um> ันนี euh ้เรียกว่าเราไม่อยากยุ่งเพราะว่าไม่อยากมีเรื่องก็คือเรารักตัวเองนั่นเองนะไอคนนี้มันด่าเราเราไม่ด่ามันคืนเพราะว่ากลัวจะตีกันอันนี้ไม่ใช่ขวนขวายน้อยนะอันนี้ก็คือเรารักตัวเองไม่อยากจะโดนตีนั่นเองไม่อยากมีเรื่องนี่มันต่างกันนะถ้าขวนขวายน้อยก็หมายความว่าเขาไม่ได้ หลงยินดียินร้ายไปกับโลกหรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ช่วยนะปล่อยมันไปก่อนหรือว่าให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองไปก่อนให้เขาอยู่ในความมืดไปก่อนนะถ้ามีความการุณาก็เป็นความไม่หลงยินดียินร้ายเหมือนกันแต่ช่วยเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากก็มาช่วยส่วนผู้ได้รับความช่วยเหลือนั้นจะยินดีจะไม่ยินดีก็อีกเรื่องหนึ่งไปเลยไม่เกี่ยวกันนะครับ นี้พระองค์พิจารณาอย่างนี้แล้วพระไทยก็น้อมไปเพื่อความเป็นผู้ขวนขวายน้อยโนธรรมเดเสนายะไม่ได้เป็นไปเพื่อการแสดงพระธรรมนะครับทีนี้หลังจากพระองค์ดำริอย่างนี้เรียบร้อยแล้วพระไทยน้อมไปในความขวนขวายน้อยแล้วพระพรมก็ทราบนะพระองค์พระพรมรู้จิตของพระพุทธเจ้าได้เห็นว่าพระองค์นี้มีจิตน้อมไปอย่างนี้ก็เลยเห็นว่า พวกชาวโลกสัตว์โลกนั้นจะพินาศก็เลยมาอาราธนาในย่อหน้าที่สามนะครับอ่านพร้อมกันนะอะัฏะโขพรหมุนโนสหัมปติสะภควะโตเจตสาเจโตปริวิตักกมัญญยายะเอตะดะหสินัสติวะตะโพโลโก วินัสติวะตโพโลโกยัตระหินามะตถาคตสัตวะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัอโปสุกตายะจิตตังนามติโนธรมมเดสนายติอัฏโคพรัมาสหัมปติเสยถาปินามะ วะลวาปุริโสสัมมินจิตังวาบาหังปสารยะปสาริตังวาบาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะพรมมะมโลเกอันตรหิโตภคะวะโตปุระโตปาตุระโหสิอัทะโข พระ ม, มาสหัมปติเอกังสังอุตราสังขังกริตวานักินชานุมันดลังปาถาวิยังนิหันตวาเยนะพักขวาเตนันฉลิงปะนาเมตวาพักขวันตังเอตตะโวจะ เดเสตุพันเตภคะวาธรรมังเดเสตุสุขโตธรรมังสันติสัตตาอัปราชกชาติกาอัสวนตาธรรมมัสสะปริหายันติพวิสันติธรรมมัสสะอัญญาตารโรตินะครับ ยอ้อนนาทีสามก็กล่าวถึงพระพรหมองหนึ่งท่านชื่อว่าสหัมบดีพรหมสหัมปฏิพรหมนะอัะโขพรห ม, มุโนสหัมปฏิสระภควะโตเจตสาเจโตปริวิตกกะมยายะลำดับนั้นเมื่อเท้ามหาพรหมชื่อว่าสหัมบดีได้ทราบ ความปริวิตกหรือว่าความดำริแห่งพระทัยของพระผู้มีพระภาคเอตนนหุสิก็ได้เกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาว่านัสติวะตะโพโลโกท่านผู้เจริญทั้งหลายชาวโลกจกถึงความพินาศหนอช า, ชาวโลกชาวโลกพวกสัตว์โลกนะจะถึงความพินาศพินาศก็คือต้องอยู่ในวงจรของทุกข์อีกยาวนานเหลือเกิน นะการอยู่ในโลกนี้ไม่มีจุดไหนมันปลอดภัยนะภายใต้กฎแห่งกรรมนี้ไม่เคยมีอิสระอย่างแท้จริงเราทั้งหลายเหมือนตกอยู่ในคุกนะอย่างเราดูนั่งอยู่ตอนนี้ก็เหมือนคนอยู่ในคุกนั่นแหละแต่คุกของเรามันอาจจะดูใหญ่กว่าเขาหน่อยดูเหมือนอิสระนะพวกตันหาพวกความไม่รู้นี้มันให้ความรู้สึกกับเราว่าเราเป็นอิสระนะแท้ที่จริงเราก็คือตกเป็นทาตมันเองนะ แท้จริงเป็นความไม่รู้เป็นความผิดเป็นการทําผิดเราก็ดูง่ายๆก็ได้อย่างพวกที่เข้าไปติดคุกเพราะอะไรเพราะเขาทําผิดที่เรามานั่งอยู่ในเนี้ยติดคุกนี้เพราะอะไรก็เพราะทำผิดเหมือนกันนหะแต่เราไปบอกว่าโอ้ยนั่นมันติดคุกมันทําผิดแต่ตัวเองยังไม่ได้ดูดูแต่ชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยไม่รู้เรื่องสักทีนะนี่อวิชชาตันหามันหลอกเราอย่างนี้นะหลอกหลายชั้นหลายซ้อนมากหลอกเราจน รักตัวเองมากๆจนไปเบียดเบียนคนอื่นไปนอนอยู่ในคุกนี่หลอกมาหลายชั้นแม้กระทั่งอยู่นอกคุกก็โดนหลอกอีม ก, กันแหหลอกให้รู้สึกว่าตนเองอิสระอยู่นอกคุกทำให้รักการอยู่นอกคุกรักดีทำดีไปเป็นเทวดารักสงบทำความสงบไปเป็นพรหมอย่างเงี้ยวนเวียนไปอย่างเนี้ยแหไม่มีจุดปลอดภัยจริงๆนะฉะนั้น กฎแห่งกรรมเนี่ยเราเรียนรู้เอาไว้เพื่อจะรู้ว่าถ้ายังอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอยู่ไม่มีทางที่จะมีชีวิตอย่างเป็นอิสระได้จริงๆนะหลังเราเกิดมาแล้วไม่มีทางที่จะอิสระได้เพราะว่าทุ ก, ท, กทุกคนเกิดมาต้องตายเรียบเลยไม่มีอิสระไม่มีอิสระจริงๆนะครับฉะนั้นเราเรียนรู้กฎแห่งกรรมไม่ใช่เพื่อจะทํากรรมเยอะๆนะนะเพื่อจะรู้ว่ากรรมนั้นมีอันตรายมาก กฎแห่งกรรมนั้นมันอันตรายมากเราไม่สามารถจะอิสระได้ถ้าอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทาทำดีแล้วได้ดีทำบุญแล้วไปเป็นเทวดาเขาว่ากันอย่างนี้นะดีไหมดีแต่พระพุทธเจ้าสอนต่อไปว่าโดยส่วนใหญ่แล้วแทบทั้งหมดเทวดาตายแล้วไปอาบายเคยคิดถึงไหมอันเนี้ยไม่คิด <laughs> ลืมคิดไป <laughs> นะเพราะว่าจ้องแต่จะเอาไงจ้องแต่จะเอาบุญลืมลืมลืมคําสอนไปแล้วนะจ้องแต่จะเอาเราทั้งหลายเวลาท่องคาถาหรือว่าท่องคําสอนอะไรต่างๆเนี่ยท่องครึ่งเดียวตลอดนหะเพราะว่าเขาจะเอาอย่างเดียวนะเวลาเขามีความเครียดความวิตกกังวลใครทําอะไรให้เขาเขาอยากจะปรงเขาก็จะมาบอกว่าโอ้ยเรามีความเกิดเป็นธรรมดา เรามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็น <últ> ท <Hebrew> ี่พึ่งอาศัยเขาก็มาท่องอย่างนี้นะท่องเพื่ออะไรเพื่อตัวเองจะได้ปลงสู้เขาไม่ได้แล้วสู้ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ได้เขาด่าเอาอะไรเอาโอ้ยสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมนี่เพราะอะไรเพราะได้ตัวเองจะได้ปรงท่องได้แต่เท่านี้แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า สัตว์ทั้งหลายเนี่นะมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาอยู่ภายใต้วงจรของกรรมเป็นธรรมดามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นผ่อพันุแต่อาศัยเราตถาคตผู้เป็นกัลยาณมิตรผู้ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะไม่เกิดผู้ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะไม่แก่ผู้ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ตาย คนที่หลงอยู่ในโลกตามวงจรของกรรมนั้นแหะจะพ้นจากบ่วงวงจรนี้เนี่ยเห็นไหมแต่เราคงอยากจะปรงอย่างเดียวท่องเพราะแค่นั้นก็พอแล้วจะได้ไม่ต้องทําอะไร <c oughs> เพราะว่าถ้าท่องต่อมาต้องทํำนะต้องฝึกเอาเองด้วยมันไม่ไหวถ้าท่องได้แค่นั้นก็เอาปรงแล้วสบายใจเนี่ยเราทั้งหลายชอบแบบนั้นน่ะวนเวียนกันไปนะก็เหมือนกับโอ้ทําบุญแล้วได้บุญเอาแค่นั้นแหละได้แล้วนี่ไม่ได้ท่องต่อแล้ว เทวดาโดยส่วนมากตายแล้วไปอาบายนะลืมตลอดนะครับลืมเพราะว่าเราชอบเราอยากได้มันก็เลยเป็นอย่างนั้นเลยหลงเพลิดเพลินยินดีเห็นหมหลงเพลิดเพลินยินดีกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นะการทำบุญก็ได้ไปเป็นเทวดาจริงๆนะแต่ว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านไม่ได้สอนให้ยินดีแต่เรานี้ไปยินดีซะแล้ว ท่านสอนให้ทำดีแต่ว่าไม่ได้สอนให้ยินดีในการทำดีนั้นไม่ได้สอนให้เพลิดเพลินเห็นไหมให้ถอนความเพลิดเพลินในโลกแต่เราส่วนใหญ่ท่องไม่ถึงนะเพราะว่าเราชอบได้ชอบอยากจะได้ชอบจะเอาเหมือนทำบุญก็ได้บุญแล้วก็สบายใจแล้วปลอดภัยแล้วเขาว่าอย่างนะี้นะเหมือนเรานั่งอยู่นี่โอ้ฉันทรรมาทานศีลแล้ว ศีลบริสุทธิ์ไม่ฆ่าสัตว์แล้วปลอดภัยแล้วเขาว่าอยนะ่างนี้นะที่เรานั่งนั่งอยู่นี้ไม่ฆ่าใครใช่ไหมปลอดภัยยังยังพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพวกคิดอย่างนี้ประมาททั้งดุนเลยถ้าเรานั่งอยู่นี้ยังไม่ฆ่าใครอะถ้าเรายังถอนความรู้สึกว่าคนอื่นเป็นศัตรูมีตัวเรามีตัวเขาไม่ได้สักวันมันก็ไปฆ่าเขาอยู่ดีแหละฉะนั้นตอนนี้เราไม่ฆ่าเราก็ถอน ความรู้สึกว่ามีตัวมีตนความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดนั่นออกไปก่อนแล้วก็ละเจตนาออกไปให้มันขาดมันสิ้นเชิงไปเลยนะตอนนี้เราไม่ไปนรกปลอดภัยยังถ้าใครรู้สึกว่าอตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปนรกเนี่ยปลอดภัยดีพวกนี้ประมาทนะประมาทมากพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ประมาทต้องถอนมันขึ้นมาฉนันเราทั้งหลายจึงชอบประมาทโอ้ยสมาทานศีลแลเรามีศีลแล สบายปีพุงปาหงประสาเรยะลำดับนั้นเท้าสหัมบดีพลมก็ได้หายตัวอันตรทานจากพรมโลกมามาอย่างรวดเร็วทีเดียวแบบหายตัวมารวดเร็วเหมือนกับอะไรเหมือนกับบุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนออกแขนมันกำลังคูอยู่นี่นะเขาก็เหยียดออกเหยียดแขนที่กำลังคูอยู่หรือว่ากาลังกอดหน้าอกอยู่ก็เหยียดออกไป บุรุษมีกำลังนะบุรุษไม่มีกําลังไม่เอาเพราะว่าไม่มีกําลังนะั้นมันช้าบุรุษมีกําลังก็เหยียดแขนที่คูออกแป๊บเดียวว่างั้นเถอนะนีความหมายทุกวันนี้ก็คือแป๊บเดียวภาษาริตังวาบาหังสัมมินเฉยะหรือว่าคู้แขนที่กําลังเหยียดเข้ามาแขนมันกําลังเหยียดอยู่ก็คูเข้ามาแป๊บเดียวนั่นเองไม่ถึงวินาทีเอวะเมวะ พรหมโลกเกอันตรหิโตท้ามหาพรหมนั้นก็เหมือนกันนั่นแหละคืออันตรธานจากพรหมโลกด้วยวิธีการอย่างนั้นใช้เวลาอย่างนั้นเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่กำลังคู้อยู่หรือว่าคูแขนที่กำลังเหยียดอยู่ใช้เวลาแป๊บเดียวพระวะโตปุระโตปาตุระโหสิแล้วก็มาปรากฏอยู่ต่อหน้าพระผู้มีพระภาค อัะฐโขพรห ม, มาสามปติเอกังสังอุตตราสังขังกริตตวาลําลดับนั้นเท้ามหาพรหมชื่อว่าสามปติก็กระทำเฉวียงบ่าข้างหนึ่งพระพรหมก็มีเสื้อผ้าใส่เหมือนกันนะน่ข่มเสื้อผ้ามาแต่เวลาอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำเฉวียงว่าก็คือว่าทําความเคารพน่อนะเราใส่พระคลุมมาอย่างเนี้ เวลาจะกราบพระเจ้าอะไรก็กราบทั้งพระคุมก็น่าเกลียดไปหน่อยนะอย่างพระพรหมเขาก็พระคุมเขาก็คงไม่เหมือนเรานะพระคุมก็คงรู้ล้ากว่าเราเยอะอย่าก็ทำเฉียงบ่าข้างหนึ่งนักคินะชานุมัฑลังปัทวิยังนิหันตวาแล้วก็คุกเข่าด้านขวาลงบนแผ่นดินเยนะพักวาเตนันฉลิงปนาเมตวาปนมอัญเชลี ไปทางพระผู้มีพระภาคพระกวันตังเอตตาโวจะได้ได้กราบทูลคํานี้กับพระผู้มีพระภาคว่าเดเสตุพันเตพระกวาธรรมมังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงพระธรรมเดเสตุสุขโตธรรมมังขอพระสุขสโปรดแสดงพระธรรมสันติสัตตาอัปปราชคชาติกา สัตว์ทั้งหลายผู้ที่เกิดมาแล้วมีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายนะ้ที่เขาเกิดมาแล้วมีทุลีในดวงตาน้อยก็มีอัาวนาตาธรรมมัตสะปริหายันติสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไดไ้ไม่ได้ฟังพระธรรมก็จะเสื่อมพระวิสันติธรรมมัตสะัญญาตาโรผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมะจักมี นี่ก็เป็นคำของท้าวสหัม บ, บดีพลมอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโดยให้เหตุผลว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วมีทุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่ถ้าเขาไม่ได้ฟังพระธรรมนี้เขาจะเสื่อมเพราะว่าโลกนั้นนะมันอันตรายดูโลกเราสินะสังคมเราให้อะไรกับเรามาบ้างตอนเราเกิดมาบางทีเราทุลีในดวงตาน้อยก็มีนะแต่พออยู่ๆไปโอ้โหเละตุ่มเปะไปหมดเพราะว่า สังคมมันอันตรายมากนะเขาให้อนุมาให้ทัศนคติให้อุดมคติให้โนุนให้นี่มาเลยเสื่อมไปเลยบางคนเนะ่ยเสื่อมกูไม่กลับเลยนะทีนี้บางคนเขาก็มีทุลีในดวงตาน้อยถ้าได้ฟังธรรมเนะี่ยเขาก็เข้าใจได้ฟังตั้งแต่เด็กๆได้ฟังตั้งแต่เล็กๆน้อยๆได้ค่อยๆประพฤติปฏิบัติไปสังคมดีมันก็พลอยได้รับประโยชน์นะครับคนรู้ทั่วถึงธรรมะก็จกมีอย่างนี้ ทั้งเราทั้งหลายนะก็ต้องระวังนะครับนะการได้ยินได้ฟังพระธรรมนี้เป็นมงคลนะฉะนั้นต้องฟังบ่อยๆ่อนะฟังธรรมะที่เป็นแบบโลกุตระเป็นธรรมะที่เป็นของพระพุทธเจ้าเป็นของพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยควรจะฟังเอาไว้บ่อยบอยนะครับไม่ควรประมาทนะเพราะว่าถึงเราจะพอมีปัญญามาบ้างมีบุญบา ร, รมีมาบ้างได้เกิดมาในเมืองพุทธแต่ว่า เมื่อสังคมมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวสักหน่อยมันก็แทรกอะไรเข้ามาหรือเวลาเวลาเราครบเพื่อนอย่างเงี้ยนะตอนแรกเรารู้สึกมีสามัญสำนึกอันไหนผิดอันไหนถูกพอดีอยู่พอเพื่อนมันชักชวนนานๆานเข้าพูดไปนานๆเข้าสังคมบอกนานๆเข้าว่าโกหกก็เป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็โกหกกันทั้งนั้นแนหะโกงบ้างอะไรบ้างกําไรบ้างเรี่ยงภาษีบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ทํากันทั้งนั้นแหละอย่างนี้นะ อย่างนี้ก็ใครๆก็เป็นมหมาทั้งนั้นเลยเป็นแมวกันทั้งนั้นเลยอย่างนี้ตายเลยนะไกลๆก็กินเหล้าเมายากันทั้งนั้นงานเลี้ยงที่ไหนก็ต้องมีกันนี่ถ้าเราหลงเพลิดเพลินไปอย่างนี้นะก็ตายเลยถึงเราจะพอมีสามัญสำนึกหรือว่ามีความรู้สึกที่ดีรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอยู่บ้างแต่พอไปตามสังคมมากๆก็เสื่อมไปเลยนะครับ การที่เราเห็นว่าสิ่งผิดพลาดเป็นเรื่องปกติเนะี่ยถือว่าเสื่อมแล้วอันนั้นต้องระวังมากๆนะการเห็นสิ่งที่ผิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนะี่ยคือเสื่อมนะครับถือว่าเสื่อมมากที่สุดแลละเพราะว่าสิ่งที่ผิดนั้นมันไม่จาเป็นต้องมีขึ้นความทุกขนะ์เนี่ยมันเกิดจากการทาผิดเกิดจากการผิดศีลเกิดจากการพูด คำโกโหกคำเพอ้อเจอ้อการเกิดจากการคดโกงคนอื่นเกิดจากอะไรเนี่ยเห็นไหมมันเกิดมาท่านทําเหมือนกับว่าความทุกข์มันเป็นเรื่องจําเป็นเลยกันเนี่ยกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปฉะนั้นเราทั้งหลายนี่เห็นสิ่งผิดๆเป็นเรื่องธรรมดาสังคมจึงเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะว่าในเมื่อเห็นสิ่งผิดเป็นเรื่องธรรมดาความทุกข์ก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาไปด้วยจึงพากันใช้ชีวิตอยู่กับความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลความไม่เชื่อใจกัน อันนี้เพราะว่าเราเห็นสิ่งที่ผิดเป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้มันเป็นอันตรายมากนะครับถือว่าเป็นความเสื่อมนะอันนี้เพราะว่าไม่ได้ฟังธรรมะนะนีพระพรมท่านก็บอกเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายที่มีที่เกิดมาแล้วมีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่เมื่อไม่ได้ฟังธรรมะก็จะเสื่อมคนที่รู้ทั่วถึงธรรมะจักมีนะครับ ต่อมาหลังจากกล่าวอย่างนี้แล้วพระพรหมก็กล่าวคาถาเหมือนกันในหน้าที่สองเดี๋ยวเราอ่านคาถาของพระพรหมพร้อมกันนะครับในหน้าที่สองอิดาะมะโวจะพรมมาสหัมปติอิดังวัตวาอัถาปรังเอตะดะโวจะปาตุระโหสิมะคเทสุปุบเบ ธรรมโมอสุตโทสะมะเลหิจินติโตอาปาปุเรตังอามาตัดสดวารังสุนันตุธรรมังวิมะเลนานุพุทธังเสเลยะถาปปตะมุทะนิธิโตยะถาปิปัสเสชะนะตังสมันตโต ตถูปมังธรรมมะยังสุเมธะปาาดมารุยหะสมันตะจักขุโสตาวติ น, นังชะนาตะมะเปตะโสโกอเวขัดสุชาติชราภิภูตังอุทธิหิวีระวิจิตสังขามะ สัทาวาหะอนันวิจระโลเกเดเสตุภควาธรรมังอัญญาตาโรภวิสันติติอินามโวจะพรหมสหัมปติอิดังวัตวานะอัถาปรังเอตะดะโวจะท้าวสหัมบดีพรมนั้นคันได้กราบทูลอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็ได้กล่าวคาถาต่อไปว่า ปตุระโหสิมคเทสุปุเบธัมโมอสุทโธทส ม, มะเลหิจินติโตในการก่อนในแคว้นมคตนี่นะนะในตอนนั้นพูดถึงในแคว้นมคตเพราะว่าพระองค์ประทับอยู่ในแคว้นมคตในการก่อนๆในแคว้นมคตธรรมะที่ไม่บริสุทธ อันบุคคลที่มีมนถิ น, นค้นคิดกันแล้วได้ปรากฏขึ้นในก่อนๆ น, นั้นก่อนหน้ามีพระพุทธเจ้านะในแคว้นมคธเนี่ยมีธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ที่พวกมีมนถินคิดขึ้นปรากฏขึ้นมาเยอะแยะเหลือเกินอย่างในเมืองไทยเราก็มีเยอะแยะมากมายนะธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ธรรมะที่เราเอาธรรมะไปเข้ากับเรื่องโน้นเรื่องนี้ เข้ากับวิทยาศาสตร์เข้ากับคําอธิบายเรื่องทางโลกเรื่องโน้นเรื่อง น, อองนี้มันเป็นธรรมะไม่บริสุทธิ์เราทั้งหลายพากันทําอย่างนั้ น, นเอาธรรมะไปใช้กับเด็กเอาไปธรรมะไปใช้กับโรงเรียนเอาธรรมะไปใช้กับตรงโน้นตรงนี้จริงๆธรรมะมันไม่ได้เอาไปใช้กับอะไรธรรมะก็คือธรรมะนั่นแหละแต่คนเขามีมนฑินเขาก็พยายามพยายามโอ้ธรรมะพระธรรมะของพระพุทธศาสนาดีนะพยายามให้ไปใช้ได้กับทุกคนประยุกต์ ดัดแปลงไปใช้กับจิตวิทยาใช้กับวิทยาศาสตร์อธิบายแนวโน้นแนวนี้กลายเป็นธรรมะปฏิรูปไปมั่วไปหมดนะคนมีมนทินคนมีกิเลสเขาก็คิดไปทั่ว ท, ทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าเองยังช่วยใครไม่ได้ทั้งหมดเลยแต่เขาพยายามจะช่วยทุกคนยกเว้นตัวเขาเองเขาพยายามจะช่วยให้คนอื่นเข้าใจธรรมะแต่เขาดันไม่เข้าใจธรรมะเอง เพราะว่าแท้ที่จริงธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่สําหรับทุกคนมันสําหรับคนที่พร้อมฉะนั้นถ้าจะบอกธรรมะกับเขาก็ต้องบอกความจริงกับเขาอย่าไปดัดแปลงธรรมะต้องให้เขาได้ฟังความจรงิงให้ได้ฟังธรรมะที่มันบริสุทธิ์ว่าในโลกนี้มัน ม, ไ ม, มีไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งหรอกความดีก็เป็นที่พึ่งไม่ได้เทวดาวก็เป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงเขาไม่เข้าใจก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราไม่ต้องไปไปยุบไปอะไรให้ยุ่งยาก นะไม่ต้องไปหลอกกันอะไรกันนะอย่างนี้แต่เราทั้งหลายคงจะชอบหลอกกันนะเพราะว่าต่างคนต่างมีกิเลสก็หลอกกันไปหลอกกันมาเอาธรรมะหัวข้อนี้ไปใช้สิจะดีเขาอย่างนะี้นะไม่มีอะในโลกมันไม่มีอะไรดีมีแต่ของเกิดดับแล้วก็ของเปลี่ยนแปลงถ้าอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมแล้วก็มีแต่ไัยทั้งนั้นเต็มไปด้วยไผ่ต่างๆนานานาน า, น า, นาชนิดภัยจากการเกิด ก็คือได้แก่และได้ตายและได้ทุกชนิดอื่นมาด้วยอย่างนี้นะครับนี่ในแคว้นมคธนะในยุคก่อ น, ก, อนก็มีธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนถินคิดกันขึ้นปรากฏขึ้นมาหลากหลายมากเหลือเกินพระพรหมท่านก็มาบ่นให้ฟังนะเนี <Yeah. S 1> ่ยคาถาของท่านนี่เป็นทํานองบน่นว่าเนี่ยธรรมะมันไม่บริสุทธิ์มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะ ก็มาขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะที่บริสุทธิ์เปิดประตูอมตะอปาปุเรตังอมตัสัตวารังขอพระองค์จงเปิดประตูอมตะนั้นเถิดพระพรหมนี้ให้ขอให้พระพุทธเจ้าเปิดประตูอมตะอมตะคือไม่ตายที่จะไม่ตายได้มีอย่างเดียวคือไม่เกิดเนี่ยเปิดประตูอมตะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นการเปิดประตูอมตะ เพราะว่าธรรมะมีมนตินเขาแสดงกันมาเยอะแล้วเรื่องทำดีแล้วจะได้รับผลดีไปเทวดาทำความสงบแล้วไปพลมวนเวียนกันไปวนเวียนกันมาจะเอาสงบจะเอานิ่งอะไรพวกนี้เขาสอนกันมามีมนตินกันเยอะแยะเต็มไปหมดคนเหล่านั้นเขาคิดกันขึ้นว่าอันนั้นแหละคือนิพพานของเขาเนจิตสงบนั่นแหละคือนิพพานเข้าฌานนั่นแหละคือนิพพานอะไรของเขาก็สอนไปทั่วนะครับ แล้วก็เวียนเกิดเวียนตายกันอยู่อย่างนั้นพระพรหมมาบนญแล้วส อ, สองบรรทัศนแรกต่อมาก็ขอให้พระพุทธเจ้าเปิดประตูอมตะอปาปุเรตังอมตัสสะดวารังขอพระองค์จงเปิดประตูอมตะนั้นเถิดประตูอมตะนะประตูที่จะทำให้ถึงความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถึงความทาลายพพชาติได้จริงก็คืออริยมรรค รประตูอมตนะเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้น <c oughs> ก็จะรู้ทุกละสมุทรไทยแจ้งนิโรธนะอย่างเงี้ยนะครับทั้งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ท่านก็แสดงความจริงและบอกวิธีที่เราจะรู้ความจริงนั้นได้บอกความอันตรายของโลกที่เราวนเวียนกันอยู่ โดยให้เหตุผลต่างๆน า, นานาแสดงให้เราเห็นชัดตามความเป็นจริงว่าเราอยู่ในโล ก, กวนเวียนมานานแล้วควรจะเบื่อหน่ายได้แล้วถ้ายังไม่เบื่อหน่ายก็ต้องดูมันให้เข้าใจความจริงว่ามันมีแก่นสารสาระอะไรบ้างถ้าคนไหนก็มีทุลีในดวงตาน้อยพอพระองค์มาประกาศว่าโลกมันน่าเบื่อหน่ายนะเนี่ยพอหรือยังนะเขาก็ทิ้งได้เลยถ้าคนอินทรีย์อ่อนเป็นไงเออยังไม่เห็นก็ต้องมาดูมาสังเกตมามองดูมามอง มองให้ถูกมุมที่พระองค์สอนเอาไว้ให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาไปตามลําดับก็จะเห็นความจริงขึ้นนะถ้าคนอินทรีย์แก่กล้าพระองค์ประกาศออกมาก็บรรลุเลยเพราะว่าเขาพร้อมอยู่แล้วเขาก็ทิ้งเลยเพราะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วเห็นเห็นอยู่แล้วนะคนที่ยังไม่เห็นก็มีแต่พวกยินดีในอาะไรเพลิดเพลินในอะไรทั้ทงนั้นพวกนี้ก็เป็นพวกอินทรีย์อ่อนนะอันนี้ก็ยังดีที่ยังมีอินทรีย์กับเขาบ้างนะยังอ่อนก็ยังไม่เป็นไรก็ฝึกฝนไป บางพวกไม่มีอะไรเลยนะมาพอฟังไปแล้วยังเถียงอีกโอ้อะไรก็ไม่รู้อย่างโน้นอย่างนี้นะสุนันตุธรรมมังวิมมเลนานุพุทธังสัตทั้งหลายจงได้ฟังธรรมะอันพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากมนถินได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยจงได้ฟังธรรมะอันนี้ธรรมะที่มันปราศจากมนถินที่มันไม่มีให เราไปยึดได้สักที่เดียวเราทั้งหลายคงชอบฟังธรรมะแบบยึดได้เนาะถ้าใครให้ความหวังเราแม่แต่ความหวังในชาติหน้าเราก็ยังพอใจนะคุณทำบุญเยอะๆนะเดี๋ยวคุณจะเนี่ยมีที่พึ่งอะไรก็ไม่รู้ได้บุญติดตัวไปเป็นสมบัติอะไรเขาก็ว่าไปนะเข้าท่าดีเหมือนกันเนี่ยเรามีความหวังแต่อย่างนั้นนะ เราไม่เคยได้ฟังแบบประตูอมตะประตูไม่ตายนะพระผมได้อาราธนาให้พระพุทธเจ้าเปิดประตูอมตะนั้นขอหมู่สัตว์ทั้งหลายจงได้ฟังธรรมะอันพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีมนทินได้ตรัสรู้แล้วเสเลยถาปปัตะมุทะนิตโิโตอุปมาดุลว่า บุรุษขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาที่เป็นหินอุปมาเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งนะขึ้นไปยืนอยู่บนภูเขาที่เป็นหินเสเลก็ภูเขาที่เป็นหินปปะตะมุทธนิทิตโตไปยืนอยู่ที่ปลายภูเขายะถาปิปัดเสชนตังสมันตะโตแล้วก็เหมือนกับ มองดูหมู่ชนโดยรอบคือขึ้นไปอยู่ที่สู ง, สงแล้วก็มามองมองดูหมู่ชนโดยรอบมองดูก็เห็นชัดเจนนะอย่างนี้ส่วนพวกที่อยู่ตามวงของเขาเนะี่ยก็มองไม่เห็นตัวเองแนระ้ววนเวียนอยู่นั่นนั่นะนะต้องขึ้นอยู่สู้สูงจึงจะมองเห็นนะตถูปะมังธัมมะมะยังสุเมทะปาสาธะมารุยหะสมันตะจักขุ ข้าแต่พระสุเมธะก็คือท่านผู้มีปัญญาดีพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาดีสมันตะจักขุข้าแต่ท่านผู้มีจักสุโดยรอบมีในตาโดยรอบขอพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันจงขึ้นสู่ปราสาทที่สำเร็จด้วยธรรมปราสาทะคือปราสาทอารุหะแปลว่าขึ้นปาสาทมารุหะขึ้นสู่ปราสาท ธ, ธรรมะมะยังที่สาเร็จด้วยธรรม ขึ้นสู่ปราสาทธรรมะปราสาทธรรมเหมือนกับบุรุษที่ขึ้นบนภูเขาสูงสูแล้วก็มองลงมาเห็นหมู่ชนโดยรอบท่านที่ขึ้นสู่ปราสาทที่สําเร็จด้วยธรรมก็เหมือนกันมองดูลงมาก็เห็นเราทั้งหลายชาวโลกโดยรอบเหมือนกันโสกาวติ น, นังชนตะตมะเปตะโสโกอเวกขัดสุชาติชราภิภูตังก็ จะพึงเห็นมูสัตว์ทั้งหลายโศกาวติ น, นังที่จมอยู่กับความโศกนะพระองค์เนี่ยนะขอพระพุทธเจ้าให้ขึ้นสู่ปราสาสต์คือธรรมะแล้วมองลงมามูสัตว์ดูหน่อยสิโศกาวติ น, นังมูสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เนะี่ยจมอยู่กับความโศกนะมีใครไม่เคยโศกว่างไม่มี จมอยู่กับความโศกชนะตังชนะตะนั่นแปลว่าหมูสัตว์หมูชนชนะตะมะเปตะโสโกถูกความโศกครอบงำเอาแล้วชาติชราพิภูตังถูกชาติแล้วก็ชราครอบงำอยู่ตลอดกาลนะอุเทหิวีระ วิชิตะสังขามะสัทธวาหะอนันนาวิจระโลเกวีระค่าแต่พระองค์ผู้แก้วกล้าผู้กล้าหารวิชิตะสังขามะข่าแต่พระองค์ผู้ชนะสงครามแล้วสัทธาสัทธวาหะข่าแต่พระองค์ผู้นำโมอนันนาฆ่าแต่พระองค์ผู้ไม่มีหนี้อุเถหิขอพระองค์จงลุกขึ้น วิจระโลเคแล้วจงเสด็จเที่ยวไปในโลกเดเสตุพะกวาธรรมมังขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงพระธรรมอัญญาตาโรภวิสติอัญญาตาโรภวิตสันติคนที่รู้ทั่วถึงธรรมะจักมีนะ น, นี้ก็เป็นคาถาของพระพรหมนะครับคาถาของพระพรหมก็เริ่มตั้งแต่ บอกว่าในการก่อนเนี่ยในแคว้นมคตมีธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ที่พวกที่มีมนถินคิดกันปรากฏขึ้นมาหลากหลายเต็มไปหมดแล้วพากันถูกครอบงมด้วยธรรมะที่ไม่ถูกต้องมีมนถินนะธรรมะที่มีมนทินนั้นก็บางทีก็อาจจะถูกก็ได้แต่ว่ามันมีความยึดมั่นถือมั่นมีความติดข้องอยู่ในนั้น เป็นการแสดงเพื่อลาบบ้างเป็นการแสดงเพื่อให้เราเป็นคนถูกเป็นคนสำคัญบ้างให้คนยึดถือติดข้องให้คนมานับถือบ้างเนี่ยเป็นธรรมะประเภทที่คนที่มีมนถิ น, นคิดกันเป็นธรรมะไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่หลักความจริงขอพระองค์จงเปิดประตูอมตะนั้นเถิดหมูสัตว์ทั้งหลายจงได้ฟังพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคผู้ ไม่มีมนฑินได้ตรัสรู้แล้วอุปมาเหมือนกับบุรุษขึ้นไปอยู่ยนต์บนยอดเขาที่เป็นแท่งหินทึบแล้วก็มองเห็นหมู่ชนโดยรอบพระองค์ผู้มีปัญญาดีผู้มีจักษุโดยรอบก็เหมือนกันนั่นแหละคือขึ้นสู่ปราสาทที่สาเร็จด้วยธรรมก็จะมองเห็นหมูสัตว์ที่จมอยู่กับความโศกถูกความโศกครอบงาแล้วแล้วก็ ถูกชาติและก็ชราครอบงำอยู่ตลอดขอพระองค์ผู้กล้าหาญผู้ชนะสงครามแล้วผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้จงลุกขึ้นเถิดจงเที่ยวไปในโลกขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงพระธรรมสัตว์ทั้งหลายผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมะจักมีเนี่ยนะเป็นคาถาของพระพรหมกล่าวให้พระผู้มีพระภาคได้ฟัง พอพระมีผู้มีพระภาคฟังอย่างนี้ก็ทราบว่าพระพรหมนี้มาอาราธนาให้แสดงธรรมพระองค์ก็อาศัยความกรุณาแล้วทีนีน้ตอนแรกอาศัยความปรารถนาน้อยหรือว่าความที่เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนะั้นมันมีกิเลสมีความอาลัยในโลกเยอะสอนให้รู้ได้ยากก็จะเนตเหนื่อยเปล่าๆอยู่สิ้นอายุแล้วก็ปรินิพานไปดีกว่าขวนขวายน้อยทีนี้ ฟังคำของพระพรหมก็อาศัยกรุณาแล้วก็มาแสดงธรรมพระองค์ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรานะเราดีพระองค์ก็ไม่ได้ดีใจเราตกนรกพระองค์ก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะพระองค์อาศัยแค่ความกรุณาเท่านั้นเองนีไม่ได้เกี่ยวกันะาอาอาก น, น, นะ เ, นนะเราอาจจะคิดว่าโอ้เราทําดีนี่ถวายพระพุทธเจ้าถึงจะถวายพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ยินดีถึงเราไปตกนรกก็ไม่ได้ยินร้ายอะไรเปนเรื่องของเรานะีทางเนีย่ยพระองค์บอกเอาไว้แล้วประตูก็บอกเอาไว้แล้วเปิดเอาไว้แล้ว หน้าที่ของเราก็ทําเอาเองอย่างนี้นะครับลักษณะเช่นนี้แหละพระองค์จึงเป็นกัลยาณมิตรผู้ที่สูงสุดไม่มีการปิดบงังแล้วก็ไม่มีการบังคับไม่มีการเคี่ยวเข็นใครให้คนนั้นได้ตัดสินใจด้วยตัวเขาเองโดยบอกทางและความจริงเอาไว้นะครับดันั้นพวกที่เป็นมิตรกันอย่างแท้จริงก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องการครอบงำไม่ต้องการมีอํานาจเหนือใครแล้วไม่ต้องการให้ใครมารักด้วยเป็นเพียงบอกความจริงให้คนนั้นช่วยเหลือเขาได้ วยเหลือตัวเองได้นั่นคือความเป็นมิตรที่แท้จริงมิตรกันที่แท้จริงก็คือการที่เราช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ให้เขาไม่ต้องหวังพึ่งเราอีกอันนี้คือความเป็นมิตรที่แท้จริงการอยู่ด้วยกันที่แท้จริงก็คืออยู่ด้วยกันโดยการให้สองคนนั้นเลิกพึ่งกันและกันได้นั่นแหละคือการอยู่ด้วยกันอย่างแท้จริงการพบกันอย่างแท้จริงก็คือ ไม่ต้องมาพบกันอีกเนี่ยคือการพบกันที่แท้จริงส่วนใหญ่เราจะมีแต่ปลอมๆนะอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันแบบปลอมๆต้องการมีอำนาจครอบงำกันต้องการข่มเหงกันต้องการให้รักกันเจอกันก็เจอกันปลอมๆแล้วก็จากกันแล้วก็มาเจอกันอีกวนเวียนกันไปอย่างเนี้นี่อันนี้มันไม่ใช่มิตรไม่ใช่การยานมิตรหรือว่าไม่ใช่แบบคนที่เป็นมิตรกันจริงๆ เราต้องรู้จากลักษณะของกัลยาณมิตรอันแท้จริงก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านทำเป็นตัวอย่างเอาไว้แล้วนะครับอันนี้ก็กล่าวถึงตอนพระพรมมาอาราธนาแล้วมากล่าวแล้วก็ได้กล่าวคาถาอาราธนาพระพุทธเจ้า